วันนี้เป็นวันอังคารที่ส1อธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันสุดท้ายเรียกว่าวันสิ้นปีวันสิ้นปีนี้ก็เป็นวันที่บอกเราให้รู้ว่าเวลานี้ผ่านไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุดและสิ่งที่เวลาจะเอาไปก็คือชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วอีกไม่นานชีวิตของเราก็จะต้องเส้นสุดลงการที่เรารู้ว่าเวลา เป็นสิ่งที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไปจากเรามันก็จะได้เตือนเราให้เรารีบมาทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ละการกระทำในสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตจิตใจของพวกเรา มาเรียนรู้ว่าหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อกันถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกเรื่องราวต่างๆของจิตใจของพวกเรา ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ <c oughs> ตายไปแล้วเราจะไปไหนกันนละอะไรเป็นเหตุที่พาให้เราไปตามภพต่างๆแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้ พชาติต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าว่าเราจะไปพบไหนชาติไหนกันเพราะถ้ามีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับมีแผนที่บอกทางเวลาเราเดินทางถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เรากำลังเดินไปนี้จะพาเราไปสู่ ชิดไหนทางไหนจุดหมอันใดแต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็จะสามารถดูแผนที่ได้ว่าถ้าเราเดินทางไปทางนี้เช่นเราเดินทางไปทางเหนือเราก็มีจังหวัดต่างๆที่อยู่ทางเหนือที่เราจะเดินทางไปถึงได้ถ้าเราไปทางใต้เราก็จะ รู้ว่ามีจังหวัดอันใดบ้างที่เราจะไปได้ในในทิศทางของทางใต้นี้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีแผนที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังไปในทิศไหนกันทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้านั้น เป็นอะไรอย่างไรบ้าง mm hmm. การที่เราได้มาเกิดในยุค ข, ของพระพุทธศาสนานี้จึงถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นอย่างยิ่งพวกเรานี้เปรียบเหมือนกับคนตาบอด mm hmm. เดินทางไปตามลำพังถ้าเราโชคดีเราไปพบกับคนตาดีคนรู้ทิศทางต่างๆ รู้จุดหมายปลายทางต่างๆของสถานที่ต่างๆว่าจะต้องไปในทางทิศใดถ้าเราได้พบกับคนตาดีเขาก็จะสอนจะบอกเราหรือก็าอาจจะอาสานำพาเราไปก็ได้ถ้าเรามีคนตาดีนำทางเราก็จะได้ไปในทิศทางที่เราอยากจะไปกันเพราะทุกคน เราก็รู้ว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนั้นเราก็อยากจะไปสู่สุคติกันสุขคติก็คือภพชาติที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีใครอยากจะไปสู่ทุกขคติกันทุกขคติก็คือภพชาติที่มีแต่ความมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสือ่อม แต่ถ้าเราไม่มีผู้บอกทางเราไม่มีผู้นำทางเราแล้วเราคำทางไปเราจะไม่รู้ว่าเราไปในทิศทางไหนแน่ดังนั้นเราขอให้เราคิดว่าพบนี้ชาตินี้เป็นพบชาติที่วิเศษสำหรับพวกเราทุกคนเพราะเราได้พบกับผู้ที่มีตาดีอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ทิศทางต่างๆว่าทิศทางที่ดีนั้นที่สุขที่เจรานั้นไปอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนทิศทางที่ไม่ดีทิศทางที่มีแต่ความทุกข์นั้นไปทิศทางไหนอยู่ที่ไหนดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะ กระทำกันในเบื้องต้นเราก็ต้องเตือนเตือนตัวเราเองไว้ก่อนว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่ไม่ยั่งยืนถาวรชีวิตของเรานี้อาจจะสิ้นสุดได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครสามารถกําหนดได้ว่าจะตายในวันที่เท่าไหร่ ในปีพศเท่าไหร่ในเดือนอะไรเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยหลายประการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราว่าจะตายวันนั้นหรือตายวันนี้ได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ให้คิดอยู่เยู่ด้วยว่าความตายนี้อาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เช่ mm hmm. นทรงสอนให้พระอานุนั่นคอยดูคิดถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก mm hmm. ทรงสอนพระอนุนว่าให้ดูที่ลมหายใจนี่แหละถ้าเธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเธอก็ตาย mm hmm. ถ้าเธอหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเธอก็ตาย ซึ่งวันหนึ่งมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลมหายใจก็จะต้องหยุดหายใจถ้าเราลำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบมากระทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราผู้ที่จะต้องออกเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว เราจะไม่มาหลงละเิงกับการหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพชนิดต่างๆเพราะความสุขเหล่านี้มันไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เป็นหมื่นล้านแสนล้านเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวมียศมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้มีสรัพย์สิญมีรางวัลต่างๆที่ได้รับการเชิดชูยกย่องจากสถะธานสถาบันต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ คามสุขที่เราได้จากการเสพรูปเสียงจิตลสโพฏภะชนิดต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้กันแต่สิ่งที่เราจะเอาไปกันก็คือพบพบชาติที่เราเราอยู่ข้างหน้าเพราะว่าทุกวันที่เรามีการกระทําต่างๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นเหมือนกับการเดินทางไปสู่พบต่างๆ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกคติกันดังนั้นเราสิ่งที่เราควรจะทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็คือหมั่นศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอัลลานตัดสาวกอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าการกระทำของเราในแต่ละวันนี้ จะส่งผลต่อการไปสู่ภพชาติใดบ้างอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราทำบุญเราก็จะไปสู่สุขคติกันถ้าเราทำบาปเราก็จะไปสู่ทุกขคติกันถ้าเราชาระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัด กิเลสตันหาโมหะอาวิชชาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเราก็จะไปสู่พระนิพพานกันเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกัน mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆคือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่นั่นเองสมัยนี้เรามีแผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า GPS เ, เวลาที่เราจะเดินทางไปไหน<ม>เราก็เราก็กำหนดจุดหมายปลายทางของการเดินทางแล้ว GPS ก็จะบอกว่าให้เราไปทางทิศไหนกันไปถนนสายใด<ม>ถ้าเราไม่มี GPS เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรเช่นเดียวกับพบชาติต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้านี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางไหนกันไปสู่สุขติไปสู่พระนิพพานหรือไปสู่ทุกขติ ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งแนกของการใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อชีวิต จ, จิตใจของพวกเราก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าทรงกาหนดวันเรียนวันเรียนพระธรรมคำสอนไว้ในวันพระทุกวันพระนี่พระพุทธเจ้าทรง ตัดสอนให้ศรัทธายาโยมหยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันแล้วเอาเวลามาให้กับการศึกษา<ม>ฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือสนทนาธรรมถามตอบถามตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมทนิตต่างๆ<ม>เพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าการกระทาต่างๆของเรานี้จะพาให้เราไปสู่ พบใดชาติใดอย่างไร yeah. mm hmm. วันพร้านี้ท่านเรียกว่าวันธรรมสวรนระวันธรรมสวรรนี้แปลว่าวันฟังธรรมธรรมสวรรคนี้แปลว่าการฟังธรรม mm hmm. การฟังธรรมนี้ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสวนรค์ mm hmm. เอตัมังกาลมุตตมัง mm hmm. การทําฟังตามตามเวลาอันสมควร คืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าสมัยนี้เราสามารถฟังธรรมศึกษาธรรมะได้ตลอดเวลาเพราะเรามีเครื่องมือคือมีโทรศัพท์มือถือเราอยากจะฟังธรรมของใครเราก็สามารถค้นหาได้ในโทรศัพท์มือถือของเราอยากจะอ่านธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้า ก็สามารถที่จะค้นหาได้ในมือถือของเราเลยในอดีตการในสมัยพระพุทธการนี้เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เวลาจะฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้ต้องไปที่วัดกันต้องไปไปพบกับพระเพราะว่าสมัยก่อนออคนก็ไม่มีการศึกษาไม่สามารถอ่านหนังสือ ก, กันได้ ถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรก็ต้องไปเรียนรู้จากบุคคลที่มีความรู้สอนโดยตรง<ม>คือไปหาครูหาอาจารย์แล้วฟังคำสอนจากปากของท่านโดยตรงมสมัยก่อนการฟังธรรมจึงเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากว่าเวลาที่จะไปฟังธรรมนี้มีไม่มีไม่มากเพราะว่าต้องเอาเวลาไปให้กับการทำมาหากิน ทำได้อย่างมากก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระหยุดทำงานสักหนึ่งวันเพราะว่าจะฟังธรรมนี้ก็ต้องไปที่วัดกันถ้าไปทำงานก็จะไม่สามารถไปวัดได้จึงมีการกำหนดวันพระขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยพระพุทธการมามเพื่อที่ให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้เรื่องราวของ ภพชาติที่จะตามมาต่อไปว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิเกิดจากการกระทำอย่างไรบ้าง mm hmm. ถ้าไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ย mm hmm. ก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเ mm hmm. ช่นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเรื่องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเรื่องการไปเกิดในภพต่างๆก็ดี mm hmm. สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เรียนรู้จาก การศึกษาทางโลกการศึกษาทางโลกนี้จะไม่ได้สอนเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของภพชาติต่างๆจะสอนแต่วิชาชีพคือการทำการทรมาหากินเลี้ยงชีพด้วยวิชาความรู้ต่างๆเช่นถ้าอยากเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรื่องรักษาพยาบาลร่างกาย ถ้าอยากจะสร้างก่อสร้างอะไรต่างๆก็ไปศึกษาทางวิศวกรรมศาสต ร, ร์ถ้าอยากจะทำการค่าก็ไปศึกษาเรื่องการพานิชต่างๆเป็นต้นแต่จะไม่มีหลักสูตรที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วยังมีการเดินทางต่อไปของใจ พราะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ได้ฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าการตายของร่างกายนี้เป็นการตายของร่างกายเพียงส่วนเดียวนอกเหนือจากร่างกายแล้วชีวิตของเรามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสิ่งที่จะไปรับผลของการกระทำต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะมีชีวิตอยู่บางทีเราก็ทาความดีบ้างทำบุญบ้างบางทีเราก็ทำบาปบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังเทศตาณธรรมเราจะไม่รู้ว่าการกระทำของเราเหล่านี้มีผลต่อการไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าต่อไป ว่าเราจะไปเกิดดีหรือจะไปเกิดไม่ดีอันนี้คืออา น, นิสงส์งอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี่เองเรียนรู้ว่าร่างกายของเราเมื่อตายไปแล้วใจของเราผู้เป็นผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นผู้ต้องไปรับผลของการกระทา ที่ทำผ่า น, านทางร่างกายเช่นการทำความดีต่างๆก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการทำบาปต่างๆก <kin> ็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่รับผลของการกระทำนี้ mm. ผู้ที่กระทำจริงๆและผู้ที่รับผลก็คือใจ mm. ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำนี้แหละ mm. เป็นผู้กระทาน่าจะเป็นผู้ที่จะรับผลจากการกระทำ เช่นถ้าทําบุญทําความดีใจก็จะได้รับความสุขใจทันทีไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตายเวลาเราทําความดีทีไรนี้เราจะมีความรู้สึกสุขใจสบายใจนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทําบุญทําความดีเกิดขึ้นทันทีภายในใจของเราถ้าเราทํำบาปทาความไม่ดี ใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจทันทีนี่คือผลของบุญแนละผลของบาปที่เกิดขึ้นทันทีส่วนหนึ่งยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังรอให้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถึงจะสามารถส่งผลได้นั่นก็คือ การดึงจิตใจของเราที่เป็นดวงวิญญาณนี้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ให้ไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm. ก็คือพระนิพพาน mm. นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว แต่ใจไม่ได้ตายไปด้วยใจยังต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้ต่อไปไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือไปหยุดไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดใจนี่แหละเป็นผู้กระทําการกระทําต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับ Ishi, ada, mm Asia, ผลบ <cabin. S 1> ุญผลบาปต่อไปจะไปเวียนว่าตายเกิดต่อไปหรือจะไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องของใจล้วนๆร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกคติร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อหรือจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นใจ ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราไม่สามารถมองเห็นกับตาของร่างกายได้แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีใจเพราะเรามีความรู้ความนึกคิดอยู่ตลอดเวลาความรู้ความนึกคิดนี่แหละเป็นความสามารถของใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายของเราทาอะไรต่าง ใจนี่ครับท่านเรียกว่าเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เวลาที่เราศึกษาธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้รู้ว่าเออชีวิตของเรานี้ไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเวลาร่างกายตายแล้วเราอยากไปคิดว่าเราสูญไปเราไม่สูญ เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจเรามาจากใจใจเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยความคิดเท่านั้นเองที่ว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แต่ความจริงแล้วเราคว า, ความตัวเราจริงๆก็ไม่มีตัวเรานี่เป็นเพียงแต่สิ่งที่ใจสมมุติขึ้นมาสร้างขึ้นมาเท่านั้นเอง น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังได้ศึกเวลาที่เราได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเราก็จะได้ฟังกันเป็นครั้งแรกแล้วมันก็จะทำให้เราหูตาสว่างขึ้นเริ่มรู้สิ่งที่เราไม่รู้กันเมื่อก่อนเราคิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่าใครไป ไปสวรรค์ใครไปนรกใครไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเห็นว่าเราเห็นแต่เพียงแต่ร่างกายแล้วเราก็คิดว่าตัวเหล่านี้เป็นร่างกายแล้วเราก็จะคิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายที่เขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์กันคนคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจะมีความคิดแบบนี้กันทุกคนคิดว่าตายแล้วศูนย์ เมื่อตายเราสูญสวรรค์ก็ย่อมไม่มีนรกก็ย่อมไม่มีการเกืนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีเมื่อเราตายแล้วเราก็จบเราไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วเมื่องถ้าเราผูกตัวเราไว้กับร่างกายคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายบุญหรือบาป ท, ที่เราทำไว้ก็ไม่มีผลต่อเราอีกต่อไปอันนี้เป็นความคิดของคนที่ ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง mm hmm. เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิคนที่ว่าตายแล้วสูญนี้เป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี้เป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิด คนที่ปฏิเสธการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดว่าไม่มีมความคิดเหล่านี้ความเห็นเหล่านี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกับคนโบราณสมัยก่อนที่เห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิเหมือนกันเพราะความจริงแล้วโลกไม่แบนโลกนี้เป็นโลกกลมสามารถเดินทาง จากทิศหนึ่งไปทิศแดะสามารถเดินทางไปในทิศทางเดียวกันโดยจะไม่ไม่ตกออกจากขอบโลกไป mm. เพราะว่าโลกมันกลมเราก็สามารถเดินทางไปทิศ ต, ตะวันตกไปจนกระทั่งวนกลับมาจากม า, ากที่จุดเริ่มต้นของเราได้เพราะว่ามันเป็นวงกลม mm. ไม่มีวันที่จะนั่งเรือออกไปแล้วตกตกออกจากโลกนี้ไปได้ mm. แต่คนสมัยก่อนไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ ก็เลยกลัวกันไม่กล้านั่งเรือออกไปไกล ๆ, ๆกลัวว่าถ้าไปสุดขอบทะเลแล้วเดี๋ยวจะตกออกออกจากโลกนี้ไป <Yeah. S 1> อันนี้ก็เหมือนกันคนถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วจะทำให้ไม่กลัวบาป <Yeah. S 1> ไม่มีศรัทธาในการทำบุญ <Yeah. S 1> อยากจะทำอย่างเดียวที่ต้องการก็คือการหาความสุขในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่ค <Yeah. S 1> นพวกนี้ก็จะมุ่งไปสู่การหา ราบยศสรรเสริญหาความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกิริลดพหตภะชนิดต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่าการหาความสุขเหล่านี้จะจะทำด้วยการกระทำบาปหรือไม่เพราะว่าเขาคิดว่าทำบุญหรือทำบาปมันก็ไม่มีผลต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะได้อะไรง่ายๆเร็ว การทำบาปจึงเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการทำความดีการทำความดีกว่าจะได้อะไรมาสักครั้งหนึ่งนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความยากลำบาก <Worlds. S 1> แต่การทำบาปนี้ง่าย<ช>อยากได้เงินได้ทองก็ไปลักขโมยไปชอบไปโกงนี่ <Aren 't. S 1> มันง่ายกว่าการไปทำมาหากินโดยอาชีพที่สุดจริต คนสมัยนี้ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ร้อยทั้งร้อยมักจะไปทำบาปกันเช่นคนสมัยนี้หากินด้วยการขายตัวนี่เวลาขายตัวนี่เงินเงินเงินเข้ามาได้ง่ายอย่างและเร็วได้มากกว่าการที่จะต้องไปทำงานด้วยด้วยแรงกายต้องไปทำงานเดือนหนึ่งกว่าจะได้เงินมานี้แทบเป็นแทบตายแต่ถ้าไปขายตัวนี่ ทําป๊บเดียวก็ได้เงินมามากมายก่ายกองโลกเราทุกวันนี้จึงมีแต่คนที่ทาบาปกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาไม่เข้าวัดกันเขาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนากันเขาก็เลยปฏิเสธเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของสุกคติเรื่องของทุกกติ เขาเอาแต่ประโยชน์สุขที่จะได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นท mm hmm. ุกคนเกิดมาก็อยากจะมีความสุขอยากจะอยู่ดีกินดีอยากจะมีเงินใช้กัน mm hmm. อยากจะได้อะไรก็สามารถซื้อมาได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถไปเที่ยวได้ก mm hmm. ารที่จะทําตอบสนองความอยากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็ต้องมีเงินมีทองและการที่จะได้เงินได้ทองอย่างง่ายดายรวดเร็วก็ต้อง หามาโดวยวิธีทุจริตด้วยวิธีทำบาปต่างๆบางคนก็ใช้วิธีช่อโกงหลอกลวงบางคนก็ใช้วิธีลักขโมยบางคนก็ใช้วิธีขายเนื้อขายตัวบางคนก็ใช้วิธีป่นจี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้การกระทําเหล่านี้ที่เขากล้าทํากันเพราะเขาเขามีมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่าตายแล้วสูญ ถ้าจะมีโทษก็เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่เช่นถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษก็ได้แต่ก็บางคนก็ฉลาดเองว่าถึงแม้จะจับไปก็อาจจะสามารถใช้เงินทองที่หามาโดยมิชอบนี้ซื้ออิจราภาพได้ mm hmm. ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้ mm hmm. คนสมัยนี้จึงไม่ค่อยกลัวบาปกันไม่ค่อยกลัว าถูกจับไปลงโทษขอให้เขามีมีอำนาจเงินมีอำนาจทางทางการเมืองแล้วเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้<ม>แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาตายไปแล้วนี้เขาไม่สามารถซื้อกฎแห่งกรรมได้<ม>กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการโอนเองนไปตามอำนาจของอิทธิพลการเงินหรือของอิทธิพลการเมือง เช่นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำบาปนี้พอเวลาตายไปนี้ไม่สามารถใช้อิทธิพลของนายกรัฐมนตรีไปห้ามกฎแห่งกรรมไม่แสดงผลกับตนเองได้อ น, นี่คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเกิดจากการที่ไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใครผู้เป็นผู้ไปสู่สุคติไปสู่ทุ ก, กติแล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิเมื่อเรารู้ว่าการทำบาปมีผลตามมาจริง คือจะต้องไปเกิดในทุกขติเราก็พยายามที่จะไม่ทำบาปกันเราก็จะมีฮิริโอตปะขึ้นมาฮิริก็คือความอายในการกระทำบาปโอตปะก็คือความกลัวผลของบาปที่จะตามมา mm hmm. เพราะการทำบาปนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมยินดีไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีคนชั่ว mm hmm. แต่เวลาทำบาปนี้เขามักจะทแบบ แอบแอบซ่อนๆไม่ให้ใครรู้เพราะเขามีความอายแต่เขาอาจจะไม่มีความกลัวบาปถ้าเขายังกล้าทำบาปอยู่แต่ถ้ารู้ว่าตายไปแล้วนี่จะต้องไปรับผลบาปอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นใครก็ตาม <c oughs> ก็อาจจะทำให้ไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปก็ได้ <c oughs> ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีทีลีโอตปะแล้วก็จะไม่มีการกระทำบาป ถ้ามีความอยากจะทําบาปก็พยายามยับยั้งไว้ให้คิดถึงผลที่จะตามมาต่อไปว่าผลของบาปนี้จะมีอะไรบ้างอย่างไรเช่นคําสอนท่านก็สอนว่าถ้าทําบาปแล้วนี้จะมีที่ไปอยู่สี่ที่ด้วยกันมีพบชาติอยู่สี่ชนิดด้วยกันที่จะที่จะต้องไปเกิดขึ้นอยู่กับว่าการทําบาปนี้ทํ า, ทาทด้วยเหตุผลนันใด การทำบาปก็มีหนึ่งการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปลด<ม>การดื่มสุรายาเมานี้ตามํำพังยังไม่ถือว่าเป็นบาป<ม>แต่จะทำให้ไม่มีสติคอยยับยั้งใจเวลาคิดที่อยากจะทำบาปแต่ถ้าดื่มสุราแล้วแล้วก็เข้านอนไม่ไปทำอะไรก็ยังไม่เป็นบาป<ม>แต่ถ้าดื่มสุราแล้วไป ไปเที่ยวข้างนอกไปขับรถไปขณะที่เกิดอาการมึนเมาขึ้นมามก็อาจจะขับรถไปพบกับอุบัติเหตุได้ไปทำให้เกิดความเสียหายหทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของผู้และของตนเองได้<ม>ถ้าขับรถแล้วก็ไปชนคนตายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าบาปละแต่ถ้าเดินจุลาแล้วไปนอนหลับนี่ก็ไม่ยังไม่ได้ทำบาป แต่ที่ท่านห้ามไว้ไม่ให้ทําเพราะว่าถ้าไม่มีสติดื่มสุราแล้วมันจะทําให้ไม่มีสติเวลาคิดจะทําบาปแล้วไม่มีสติที่จะยับยั้งมันได้เท่านั้นเอง <S <S <ๆ>คนที่มีสติคนที่ไม่เมากับคนที่เมานี้เวลาจะทําบาปนี้ต่างกันคนที่มีสติพอรู้ว่าจะทําบาปก็จะห้ามใจตนเองได้แต่คนที่ไม่มีสติเวลาเกิดอา ก, การมึนเมาแล้วเวลาจะทําบาปนี้ จะไม่รู้สึกตัวว่าจะทําบาป <S <S ก็จะปล่อยทำไปตามอํานาจของความอยากทันทีท่านเลยต้องรวมการเดือดชราไว้ในการกระทําบาปด้วยถ้าเราทําบาปด้วยความหลงคือด้วยความไม่รู้คือมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือความหนงความไม่รู้เราคิด <Celebr ating S 2> ว่าตายแล้วศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มี อ, อ, อบายไม่มี ถ้าทำบาปด้วยความหลงเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาต้องทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพของเขาสัตว์นี้ต้องสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของเราพอเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดถ้าเราไม่มีอาชีพนี้แล้วเราจะอดตายอย่างนี้ ก็เรียกว่าทําด้วยมิจฉาทิฏฐิทําด้วยความหลงความทำด้วยคิดว่าไม่มีผลตามมาการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเมื่อตายไปแล้วก็จบไม่ไปไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาอย่างอย่างอย่างแน่นอนเขาก็เลยกล้าทําบาปกันอันนี้คือที่ไปของการไปเป็นสัตว์ในราชานถ้าเราทําบาปด้วยความไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาเป็นมิจฉาทิฐิ ก็จะทำให้เราไปเป็นสัตว์ในราชาันกันถ้าเราทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริญก็เลยไปใช้วิธีทุจริตไปวิธีทำบาปต่างๆการทำบาปด้วยความโลภนี้ก็จะทำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ ตัตัวนั้นตัวนี้จะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุ ร, รากาย <S <S แล้วถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท <S 2> <S 2> เครียดแค้นจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็จะไปนรกกัน จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกที่มีไฟนรกเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลา mm hmm. นนี่แหละคือทุกขติ mm hmm. มีอยู่สี่ที่ด้วยกัน mm hmm. ทุกขตินี้บางทีเราก็เรียกว่าอบายสีหรือทุกขติ mm hmm. เป็นภพชาติที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุข mm hmm. เพราะเหตุจากการจากการกระทําบาปด้วยเหตุผลสี่ประการทําบาปด้วยความหลง คือไม่รู้ทำบาบด้วยมิจฉาทิฏฐิทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัวทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทถ้าเรารู้ว่าการกระทำบาหตอนนี้จะพาให้เราไปเกิดในทุกขติถ้าเรายังไม่อยากจะไปสู่ทุกขติเราก็เพียงหยุดการกระทำบาบเท่า น, นั้นเองเราก็สามารถปิดประตูอาบายได้วิธีที่เราจะไม่ต้องไปเกิดในทุกขติไม่ต้องไปเกิดในอาบายก็ ให้ละการกระทำบาปและการเสพอบายามุขเท่านั้นเองสินห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปด่ไม่เสพโชรายาเมาที่เป็นอบายามุขและอบายามุขอย่างอื่นเช่นเล่นการพนันทเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดคา้านน่าชอบคนที่ชอบอบายาคบกับคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร อยากกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้ถ้าเราตายไปปับ๊บเนี่ยดวงวิญญาณของเราก็จะกลับมารอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปใช้ผลบาปไม่ต้องไปรับผลกรรมที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่คือส่วนแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราถ้าเราไม่อยากจะไป ในที่ไม่ดีใบเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติออก็ให้เราละเว้นการกระทำบาปละเว้นการเสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุคนี้จะทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วพอเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้เราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อจะได้หาทรัพย์สินมาใช้ต่อไป การพยายามเด็กเลี้ยงการกระทําเหล่านี้อย่าเสพอบายามุข <Hey. S 1> อย่าดื่มสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนเที่ ย, ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอย่ามีความเกลียดแค้นแล้วอย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะว่าถ้าเราไปคบกับคนที่เขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบ เที่ยวกังคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีแต่สูญเสียเงินทองไม่มีรายได้เข้ามาแล้วเงินทองที่เรามีอยู่ก็ต่อไปก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้เราก็ต้องไปหามาโดยวิธีช่อโกองบ้างลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างแล้วพอเราทํำบาปแล้วเราก็จะต้องไปรับผลของ บาปนี้ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือแผนที่ที่จะบอกทิศทางที่ไม่ดีให้เรารู้ว่าอยากไปทางนี้ทางนี้อันตรายไปแล้วมีแต่ภัยอย่าไปทางนี้อย่าไปทางอย่าไปทางอบายอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเพณีอย่าไปพูดปดอย่าไปเสพทุลายาเมาและเสพอบายยามุกต่างๆ ถ้าเราสามารถละเว้นการกระทำเหล่านี้ได้การที่จะไปเกิดในอบายก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วนอกจากการการทิศทางที่จะไปอบายแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนทิศทางที่จะไปสู่สุขคติว่าถ้าเราอยากจะไปสวรรค์นี้ไปอย่างไรการที่เราจะไปสวรรค์นี้เราก็ต้องทําบุญทําทานคือนอกจากปิดประตูอบายแล้วเรานอกจากรักษาศีลห้าแล้ว เราก็ต้องมาทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทาบุญทาทานมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนต่างๆถ้าเรามีเงินทองที่มากกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้ได้ตายไปแล้วก็ไปไม่ได้ให้อเอาเงินทองส่วนนี้มาทาบุญทำทานเป็นการสร้างความสุขให้กับใจเป็นการสร้างสวรรค์ให้กับใจ ทุกครั้งที่เราทําบุญเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้แหละคือบุญที่เกิดจากการให้ให้ทานให้เข้าของเงินทองกับกับใครก็ได้ให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับสัตสัตก็ได้เลี้ยงสัตว์จรจัด ดูแลสัตว์จรจัดให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ทาคุณทาประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บุญนี้ก็จะให้ความสุขกับใจเราและเวลาตายไปบุญนี้ก็จะส่งให้ใจเราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกัน สวรรค์ชั้นเทพนี่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนกับโลกทิพย์เรายั ง, ยงเรายังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอยู่แต่เราเสพด้วยใจคือเราใช้ตาทิพย์หูทิพย์เสพกันเพราะว่าในสวรรค์ น, นี้ไม่มีไม่มีรูปอย่างที่เราใช้ร่างกายดูกันเลือกฟังกันเวลาร่างกายเราตายไป ใจเราก็ยังสามารถไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปหาความสุขจากการอยู่ในสวรรค์ได้ mm hmm. ถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าสวรรค์นี้เป็นอย่างไร mm hmm. ก็ให้เราคิดถึงตอนที่เวลาที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายของเราก็เหมือนกับคนตายร่างกายก็นอนนิ่งๆนา mm hmm. ใจไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาลูกเสียงกินรสเสน่ห์ได้แต่ถ้าใจมีบุญ mm hmm. ทาบุญอยู่เรื่อย เวลานอนหลับบุญนี้ก็จะสร้างารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ขึ้นมาให้เราเห็นในรูปแบบของการฝันดีนีเ่เวลาที่เรานอนหลับฝันดีนี้ก็คือเวลาที่บุญแสดงผลให้ให้กับเราให้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปจริงๆนี้เราจะได้อยู่ในสวรรค์อย่างไรก็อยู่แบบแบบในขณะที่เราฝันดีนั่นเอง เวลาที่เราฝันนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราฝันกันเราก็คิดว่าเราเป็นเรื่องจริงเราก็จะเห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สัมผัสกับรูปเสียงจิตรสชนิดต่างๆแต่เป็นรูปเสียงกินรสทิพย์ใ ช, ใช้ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายทิพย์มาเสพกันนี่แหละคือสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วด้วยอานาจของบุญที่เราได้ทาเอาไว้แต่ถ้าเราทาบาปเนี่ย อำนาจของบาปก็จะสร้างความฝันแต่เป็นความฝันร้ายฝันไม่ดีฝันที่จะทําให้เรามีความทุกข์มากมีความมีความเสียใจมากมีมีความหวาดกลัวมากมถ้าเป็นความฝันร้ายแบบนี้เรียกว่าเป็นเป็นอนิสงส์เป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาปของเราเนี่นี่แหละคือลักษณะของสุขกติกับทุกขกติมันเป็นเหมือนโลกของความฝัน เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับไปการนอนหลับกับการตายนี่มันเหมือนกันตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขกันเราก็เลยต้องอาศัยบุญหรือบาปเป็นเครื่องมือถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ฝัลดีถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ผลลายนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกให้เรารูว่าใจของเรานี้มีบุญหรือมีบาปมากกว่ากัน ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเรามักจะฝันดีฝันดี <c oughs> แต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญนี้เรามักจะฝันไม่ดีฝันร้ายกัน <c oughs> ถ้าเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเราอาจจะต้องไปเกิดในทุกขติแล้วเวลาที่เราตายถ้าเรายาถ้าเราไม่อยากจะไปสู่ทุกขติเราก็รีบมาทำบุญกันรีบพยายามละ บ, บาปกันพยายามสร้างบุญให้มากกว่าบาปให้บุญมีกำลังมากกว่าบาป พอบุญมีกำลังมากกว่ บ, บาปแล้วเวลานอนหลับบุญก็จะเป็นผู้สร้างความฝันที่ดีให้กับเราได้เสกนี่คือตัวอย่างของบุญและของบาปของนรกของสวรรค์ของอบายที่จะตามมาหลังจากที่เราเกิดแล้วหลังจากที่เราตายแล้วแต่บุญที่เราได้จากการเสกก็ดีจากการทําบุญความสุขที่เราได้จากการทําบุญก็ดี กรรมทุกที่เราได้จากการทําบาป ก, ก็ดีมันก็เป็นของชั่วข่าวถ้าตายไปแล้วเราไปเกิดในอบายเราก็จะใช้กรรมที่เราทำในอบายไปจนกว่ากรรมที่เราทํานั้นมันหมดกําลังลงมันก็จะส่งให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เช่นเดียวกับถ้าเราไปสวรรค์บุญที่เราส่งเราไปสวรรค์มันก็จะค่อยๆหมดไปพอบุญหมดมันก็จะกลับให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกต่อไปแต่ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพราะเรารู้ว่ า, าทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างน้อยก็ต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายร่างกายเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายแล้วเราต้องมาพัดพาคจากคนที่เราลักคนที่เราชอบอต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบ แ้ต้องมาเจอกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่รักไม่ชอบมันก็จะเจอมันก็จะมีแต่ความทุกข์ให้กับเราได้เอง uh huh. ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต่อไป uh huh. เราก็ต้องไปชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ uh ์ huh. นอกจากการทำบุญนอกจากการรักษาศีลแล้วยังไม่พอ uh huh. ไม่สามารถที่จะยุติ จิตใจของเราไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้ถ้าอยากจะให้จิตเหล่านี้หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆเราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนา<ม>ชำระจิตใจให้สะอาดกาจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน<ม><ม>การทำบุญนี้ไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้ การทำบาปก็เป็นการเพิ่มกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นวิธีที่จะทำให้กิเลสตัณหานี้หมดไปจากใจได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การภาวนานี้เราเรียกว่าเป็นการซักพอกใจใจของเรานี้มันมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราหมองทำให้ใจเราหิวทำให้ใจเราอยาก ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะทำให้ใจเราไม่ต้องกลับมาเวียนร่ายตายเกิดเราก็ต้องซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการสนับสนุนของการปฏิบัติเนคขมะคือการละการหาความสุขทางการมาลรมทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาด้วยการถือศีลแปดถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติจิตตภาวนาไปซักพอกจิตใจ การรักษาศินห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติจิตตภาวนาได้จําเป็นที่ต้องใช้ศินแปดเพราะว่าถ้าเรายังรักษาศินห้าเท่านั้นสินห้าไม่ห้ามให้เราไปเสรรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเอง เ, ออเรายังสามารถร่วมหลับนอนกับแฟนเราได้อยู่เรายังสามารถกินอาหารเย็นได้อยู่หรือจะกินอาหารตอนก่อนนอนหรือตอนไหนเวลาไหนก็กินได้อยู่เก็สินห้าไม่ได้ห้าม เรายังสามารถดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้อยู่เรายังสามารถแต่งเนื้อแต่งตัวสต่งสวยความงามของร่างกายได้อยู่เราสามารถนอนกี่ชั่วโมงก็ได้นอนนอนบึงฟุ้นานนะเตียงที่สบายจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้แต่การหาความสุขเหล่านี้มันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่เราจะไปซักฟอกจิตใจนั่นเองการที่เราจะซักฟอกจิตใจนี้เราต้องมีเวลาว่างจาก กิจกรรมทางการอารมณ์ต้องตัดกิจกรรมทางการอารมณ์ไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการไปซักพอกจิตใจด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธินั่นเอง<ม>ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการจะไปไปนิพพานนี้จําเป็นจะต้องไปถือศีลของนักบวชคือคือศีลแปดอย่างน้อยต้องถือศีลแปดขึ้นไป ศีลแตดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองอยี่บเจ็ดก็ได้ศีลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้จิตเรามีเวลามาซักพอกจิตใจนั่นเองเพราะเราจะไม่สามารถไปทํากิจกรรมทางกามทางการอารมณ์ได้ไม่สามารถไปดูหนังฟังเพลงไม่สามารถไปเที่ยวต่างสถานที่ต่างๆได้ไม่สามารถนอนมากเกินไปได้เวลานอนก็ให้นอนพอต่อความต้องการของร่างกายก็คือสีห้าชั่วโมงต่อคืนนึงก็พอ วิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนบนพื้นที่แข็งแข็งที่ไม่สบาย mm. ถ้านอนบนฟูกนนหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาถ้ามันสุกมันสบายใจก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาของการไปซักพอกจิตใจนั่นเอง mm. ดังนั้นถ้าต้องการที่จะไปซักพอกจิตใจชนะกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ที่เป็นตัวที่พาดึงใจของเราให้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้เราต้องไปถือศีลของนักบวชกันพระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดวันพระนี่น่ะเป็นวันที่ให้ศรัทธาญาติโยมที่ตั้งที่ที่อยากจะซักฟอกจิตใจให้มาถือศีลแปดกันแล้วก็ให้ไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าถ้า ถ้าปฏิบัติที่บ้านนี้มันจะลำบากเพราะจะอยู่ใกล้กับรูปเสียงกิ่นรสต่างๆที่มายั่วยวนกวนใจเวลาตกเย็นเราถือสีนแสเราไม่กินข้าวเย็นแต่คนรอบข้างที่เราอยู่ด้วยเขากินข้าวเย็นกันเดี๋ยวพอเราเห็นเขากินข้าวเย็นได้กลิ่นอาหารเข้ามาใจเราก็จะอดที่จะอยากกินไม่ได้ถ้าเราอยากจะซักพอกจิตใจนี้เราต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวก ไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผดจะพะถ้าเราไปอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดวันพระขึ้นมาหนึ่งวันให้เราหยุดการทํางานทำมาห้กินแล้วก็ไปไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ที่สงบสงัดไปถือศีลแปดแล้วก็ไปปฏิบัติจิตภาวนา จิตตภาวานานี่ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกนีก้ก็สมถาภาวานาคือทําจิตใจให้สงบงระงับกะนับความโลภความโกรธความหลงด้วยการใช้สติระงับมันชั่วคราวเวลาจิตใจมีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้นั่งสมาธิอยู่กับพุทโธได้หรืออยู่กับลมหายใจได้จิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบแล้วกิเลตันหา ก็จะหยุดทํางานเพราะไม่สามารถทํางานได้ถ้าจิตสงบกิเลสจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อจิตไม่สงบเมื่อจิตเริ่มมีความคิดตุงแต่งพอคิดตุงแต่งกิเลสก็จะดึงความคิดให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแต่พอเรามีสติหยุดความคิดได้กิเลสก็ไม่สามารถสั่งการให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ตาแต่ แต่การใช้สมาธิใช้ส ต, ตนินี้เพียงแต่หยุดกิเลสได้ชั่วคราวหยุดในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิในขณะที่จิต น, นติ่งสงบแต่พอพอถอนออกมาจากสมาธิพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทําทให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดิความโลภความอยากขึ้นมา ท, ที่เป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอันนี้ขั้นต้นเราทํา หยุดกิเลสด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิก่อนฝึกให้ชำนาญก่อนจนเราสามารถเข้าเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาใดที่กิเลสมารบกวนใจเรามากๆทำให้เราต้องอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มแเ้าก็เอาจิตเข้าไปในสมาธิแทนที่จะไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิดนรสก็ให้จิตไปเสพความสงบแทนแล้วความสุขที่ได้จากความสงบนี้ มีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการเสพการามอันนี้เป็นขั้นต้นของการต่อสู้กับกิเลสตันหาเราต้องใช้สติใช้สมาธิทุกครั้งที่เวลากิเลสเริ่มกำเริบขึ้นมาเริ่มมายุ่ยยุเราให้เราไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิกันพอจิตสงบจิตนิ่งก็จะเกิดความสุขแล้วก็ทาให้ความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั้นหายไปชั่วคราว แต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันหายไปอย่างถาวรหลังจากที่เราฝึกสติฝึกสมาธิจนชํานาญก่อนแล้วเราถึงจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นวิปัสนาวิปัสนาภาวานานี้แปลว่าการใช้ปัญญาการเรียนรู้ให้เกิดให้จิตรู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก็คือความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหนึ่ง ทวามโลภความอยากมีอยากเป็นถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด <iment. S 1> เราก็ต้องหยุดความอยากนะเราหยุดได้เพียงแต่ในขณะ ท, ที่เราอยู่ในสมาธิ yes, าเทรานั้นเอถงถ้าเราฝึกสมาธิแต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากโดยทีย่ไม่ต้องใช้สมาธิเราก็ต Need ้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเวลาเกิดความอยากให้หยุดความอยากเพราะความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิด และการที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเช่อนอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรถนี่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้เศษก็สุขเวลาไม่ได้เศษ ก, ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามนเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่ถาวรเป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มัน ให้ความสุขกับเราไปตลอดได้พอมันหมดฤิ์หมดความสุขมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจเพรนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้นี้ขอให้เรามองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากได้แฟนก็เป็นทุกข์อยากมีสามีอยากมีภรรยาก็เป็นทุกข์อยากมีลูกก็เป็นทุกข์อยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นทุกข์อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี้ก็เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นเหมือนยาเสพติดน พอเที่ยวแล้ก็ติดพอมีอะไรแล้วก็อยากจะมีไปเรื่อยๆพอเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรามีไปก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอย่าไปอย่าไปหวังที่จะได้ความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างถาวร<ม>พอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องสูญไปหมดไปแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรต่อไป ต่อไปความอยากมันก็จะหายหมดไปจากใจของเรา<ม>โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพอความอยากหมดไปใจก็สงบแบบเหมือนกับตอนที่เราเข้าไปในสมาธิเลยพอไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบไปอย่างถาวรไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดใจที่สงบอย่างถาวรอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้เราเรียกว่นนิพพาน<ม>ใจที่ไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ในใจก็เ<ม>ลยไม่มีอะไรมาทาให้ใจ วุ่นวายทำให้ใจทุกข์อีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดแล้วก็จะเป็นใจที่ไม่ต้องไปหาภบชาติอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจอยู่โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขอีกต่อไปนี่แหละคื อ, อนิพพานที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปถือศีล น, นักบวชกันไปถือศีล8ศีลสิบศีล2องกัน แล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิหลังจากที่เราชานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วเราก็มาศึกษาทางปัญญาให้เห็นว่าความวีนความวียนวายตายเกิดความทุกข์ของเรานี้มันเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเราต้องเราต้องฝืนความอยากต้องไม่ทําตามความอยากและการที่จะทําให้เราไม่ฝืนไม่ทําตามความอยากได้ก็คือเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ เพราะว่ามันให้ความสุขเราแบบชั่วคราวมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรมันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องหมดพอเวลามันเสือ่อมมันหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้พอเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ถาวรไม่เป็นความสุขที่ถาวรเราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปพอไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปใจเราก็สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่แหละคือแผนที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี่เราจะไม่มีแผนที่บอกทางเราก็จะคำทางไป ผ, ผิดผิดถูกถู ก, ถกไม่มีวันที่เราจะสามารถรู้จุดหมายไปทางที่แท้จริงของเราได้ว่าเรากาลังจะไปสู่สุข ก, กติหรือไปสู่ทุกขติหรือเรากลังไปสู่พานิพนานหรือไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไป มีภพนี้ชาตินี้เท่า น, นั้นอะที่สามารถที่จะเรียนรู้และบอกบอกเราได้ว่าเรากําลังจะไปในทิศทางใดดังนั้นจงอย่าปล่อยพบชาติอันวิเศษนี้โอกาสอันวิเศษนี้หลุดมือจากเราไปจงรีบเอาเวลาที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้ที่เหลืออยู่ในขณะ น, นี้เอามาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติเถ่านแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ดีได้รับความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะทาวารวาหาปุราปริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตชินางเตตานางอุปกาปติอิชีตัางปฏิต่างตุ่มหังคิดเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตัตวันตาาโยสุขิติขายุโกภะอภิวาธนศีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัานตตอายุวนโนุสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่การเรียนพระอาจารย์ครับวันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยแปดสิบสี่ท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่สิบสองท่าน ทางยูทูบด็อกเตอร์วีห้าสิบหกท่านทางวิทยุออนไลน์สิบสี่ท่านครับ h ฮาส e ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิสองร้อยสี่สิบสองท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันสี่สิบสามท่านครับ okay. เจ้าค่ะอาจารย์มีคําถามจากคุณใบยกเข้ามาถามว่าลูกศรัทธาเพราะนําคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติสิ่งที่ได้คือจิตของลูกซึ่งจากแต่ก่อนจะนําทุกเรื่องมาปรุงแต่งจนหนักอึ้งแต่เดี๋ยวนี้คือลูกเป็นปกติเจ้าค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเรื่อง ทุกชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าปัญญาได้ใหม่เจ้าคะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิจนถึงขั้นของอุเบกขาอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกได้รู้คือจิตสำคัญกว่าทุกอย่างถูกต้องหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เมตตาชี้แนะลูกด้วยเจ้าคะมันก็เป็นผลของการปฏิบัติทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญารวมกันพยายามปฏิบัติต่อไป ปฏิบัติสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้ให้นานขึ้นให้ลิศขึ้นปัญญาก็จะคมแหลมคมมากขึ้นไปแล้วจะสามารถตัดความทุกข์ตัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเราต้องกำหนดให้ตัวเราเองไหมคะว่าต้องนั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงเจ้าค่ ะ, ะกาหนดให้สติดีกว่าขอให้เรามีสติกันแล้วกันถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้นาน ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะนั่งได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเป็นกําหนดที่ตัวสติต้องฝึกสติมาก่อนนั่งพยายามฝึกสติให้มากๆาก่อนที่เราจะมานั่งตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยเราฝึกสติได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้อยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันพอนั่งสมาธิแล้วจะมีสติมากจะนั่งได้นานจะมีความสุขจะมีความสงบ เช้าค่ะจากคุณจรัญญาฝากคำถามเรามารู้สึกตัวตอนที่เราโกรธแล้วค่ะทำยังไงจะไม่ให้มีอารมณ์ที่ไม่ดีนี้เจ้าค้ากลับกับพระคุณค่ะปกติเรายังมีกำลังน้อยอยู่เรายังไม่สามารถควบคุมความคิดที่เป็นตัวสร้างความโกรธขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้มากๆแล้วความคิดจะน้อยลงแล้วความโกรธก็จะน้อยลงไปเ นั้นฝึกสติให้มากมากก่อนคอยควบคุมความคิดไว้ความคิดเป็นเครื่องมือของความโกรธพอคิดถึงคนนั้นก็โกรธขึ้นมาคิดถึงสิ่งนั้นก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติพอมันจะคิดเราก็หยุดคิดไปมันก็จะไม่โกรธเจ้าค่ะจากคุณชิสนุพงศ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเราถ้าเกิดเวลาเราเจอมารผจญจะพอมีวิธีนับ รับมือกับมารใหม่ครับก็มองว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็แล้วกันฝนตกแดดออกเราไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเตรียมรํามันน้ําท่วมก็เตรียมขนข้าวของหนีไฟไหม้ก็พยายามหาที่ใหม่ทําอะไรไม่ได้ ม, มารก็เป็นแบบนี้ อ, อย่าไปสู้กับมารเลยยิ่งสู้ยิ่งยาวยิ่งเป็นเรื่องยาวขึ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกเวรไม่ระงับด้วยการจองเวร เวียยอมรับด the uh ้วยการไม่จองเวียอมแพ้เขายอมให้อภ okay. ัยเขาส่วนเขาจะให้อภัยเราหรือไม่ก็เรื่องของเขาไปแต่เราจะไม่ทำลายเขาแล้วเราจะอยู่เฉยเฉยใชค่ะมีคำถามถามเข้ามาว่าพ่อแม่เป็นอย่างที่พระอาจารย์เทศค่ะมีมิจฉาทิฐิ อยากให้แกฟังเทศฟังธรรมแกก็ไม่สนใจเอาแต่จะหาแต่ความสุขไปเที่ยวอายุแกมากแล้วแต่แกไม่เชื่อในสิ่งที่พยายามบอกให้ถือศีลทำบุญแกไม่เชื่อเราควรวางใจเช่นไรคะก็รอให้ให้ให้ให้เธอทุกข์ก่อนพอแม่ทุกข์แล้วอาจจะเกิดปัญญาอยากจะเรียนรู้วิธีดับความทุกข์ก็ได้ แต่ถ้าตอนนี้ยังมีความสุขอยู่เขาก็ไม่มีความสนใจที่จะไปหาธรรมะเพื่อมาดับความทุกข์เพราะใจเขาไม่ทุกข์เหมือนกับคนเราเวลาที่สบายดีเขาไม่อยากจะไปโรงพยาบาลกันหรอกต้องเราให้เจ็บไายได้ป่วยก่อนทีนี้ก็วิ่งหาหมอหาหาพยาบาลหายากยันฉันใดถ้าเรายังไม่ทุกข์เรก็เราก็มีความสุขเราก็ไม่อยากจะไปทาอะไรอยู่เฉยๆอยู่ความสุขไป แต่พอเจอความทุกข์แล้วดับไม่ได้เนี่ยนี่ต้องไปหาผู้ที่รู้คือพระพุทธก็ทำพระสงฆ์ช่วยดับให้ต้องรอเวลาก่อ น, นเนราเราดังที่โบราณเขาว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดถ้ายังไม่มีความทุกข์ปัญญามันก็ยังไม่มีความจำเป็นนะพอมีความทุกข์แล้วต้องหาปัญญาแล้วต้องหาวิธีดับความทุกข์เจ้าค่ะจากคุณประพันธ์ความเชื่อที่ว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคลจะส่งผลให้เป็นมงคลไปตลอดทั้งปีจริงหรือไม่แตกต่างอย่างไรกับการสวดมนต์ทำวัาชาว้าวัดเย็นโดยปกติครับความจริงก็ไม่ต่างกันอนะ่ะสวดคืนนี้กับสวดพวกนี้ถ้าสวดเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากัน <Yeah. S 2> แต่ที่เขาให้มาสวดข้ามปีเพราะว่าคนชอบไปกินเหล้าเมายาฉลองปีใหม่กัน ก็เลยหาอุบายวิธีให้แม่ให้ไปกินเหล้าเมายาฉลองปีใหม่ให้มารว้พาพระสวดมนต์นั่งสมาธิกันแทน น, น่เป็นอุบายวิธีเพื่อที่จะดึงคนให้ออกจากอบายามุกเช้าค่ะสากคุณวายุกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผู้ที่ป่วยเส้นเลือดสมองแตกรักษาได้ทันแต่สติไม่สมบูรณ์พูดแล้วลืม ถามซ้ำๆอย่างนี้จิตหรือผู้รู้ยังอยู่กับร่างกายเขาไหมครับยังอยู่เหมือนเดิมจิตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายในแต่ร่างกายบกคร่องไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้อย่างเป็นปกติทั้นนองแต่จิตก็เป็นเหมือนคนขับรถเนี่ยแล้วส่วนร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์บางทีรถยนต์มันก็เสียแล้ววิ่งไม่เต็มสปีดนก็ต้องเอารถยนต์ไปซ่อมแต่คนขับก็คนเดิมคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ ใจกับร่างกายก็เ mm. ป right. ็นเหมือนคนขับกับรถยนต์ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจก็เป็นคนขับเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับคนไม่ได้เป็นไปกับร่างกายแต่ก็ต้องก็เือไม่สามารถจะใช้ร่างกายได้เหมือนเป็นปกติเท่านั้นเองสติก็ยังมีอยู่ปัญญาก็ยังมีอยู่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมยังสามารถปฏิบัติธรรมได้ยังสามารถเจริญสตินั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายที่สมบูรณ์ก็ได้ นอนบนเตียงก็สามารถจเจริญสติได้ทำสมาธิได้พิจารณาทางปัญญาได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอาเชิญเข้ามาจา้ะเดี๋ยวอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังหดีอยคุณจะใกล้ไมโครโฟนหน่อยจ้ะกรับต้องจัดการค่ะจา้ะคุณใกล้ใกล้หน่อยจอ้ะได้ยินยังค่ะดังดัหน่อย กาบเรียนถามอการเปลี่นยนถามในการปฏิบัติค่ะเห็นช่องว่างระหว่างจิตดับและจิตเกิดเห็นเป็นช่วงๆแล้วช่วงนี้จะเห็นว่าจิตหลงมีสติรู้รู้ได้ไวขึ้นและครั้งสุดท้ายล่าสุดนี้คือในจิตหลงแต่ละครั้งจะเห็นมีความคิดแล้วก็มีโทสะ บางทีก็มีโลภมีความโลภมีความอยากมีความชอบไม่ชอบขึ้นมาตามหลังแต่พอมีสติปุ๊บทุกอย่างก็ดับค่ะไม่ทราบว่าถูกในช่วก็ <c oughs> ให้ทุกอย่างมันหยุดได้ก็ดีทำจิตให้ว่างอ๋อให้ไม่มีอะไรให้รู้เฉยเฉยให้รู้เฉยเแต่ทีนี้เห็นว่าต้องให้พิจารณาให้มันเห็นทุกข์แต่ทีนี้ อ่าช่วงที่ปฏิบัติเนี้ยทิพเห็นพวกนี้ยแต่จะไม่รู้สึกทุกข์อะค่ะจะรู้สึกว่าใจมันว่างเฉยๆต้องต้องไปเป็นเจอมะเร็งก่อนนถึงจะเห็นทุกข์ว่เป็นยังไงต้องเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายมันเป็นจะเกิดทุกข์ขึ้นมาไอพวกนี้มันเป็นตัวจิบจ้อยตัวที่เกิดดับเกิดดับในจิตนี่มันตัวจิบจ้อยต้องรอเวลา สามีทิ้งเราไปอ๋ อ, อทิ้งไปทิ้งไปนานแล้วค่ ะ, ะนั่นแหละแล้วดูจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วค่ะแล้วเจ้านี่มาทวงนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์อะไรไอยนไม่มีเจ้านี้ด้วยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปหาความทุกข์นมันถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นต้องไปอยู่ในป่าชา้าเผลอจะมีผีมาเยี่ยมเยียนเราอะไรอย่านี้เพราะปกติแล้วจิตมันยังไม่ไม่ไม่มีไม่มีปัญหามากความทุกข์มันไม่เกิดทั้งเราเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมา เช่นถ้าอยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะตกเนี่ยดูที่ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์แล้วหยุดมันได้หรือเปล่าอแต่ช่วงเนี้ยที่ปฏิบัติมาเมื่อก่อนอาจจะโกรธง่ายแต่เดี๋ยวนี้ยไม่ค่อยโกรธไม่ไม่ค่อยรู้สึกโกรธก็ดีก็ดีไงเแต่แต่ว่ายังไม่เจอของหนักไหมยยัยงเขาไม่ยังไม่ด่าเราเป็นที่อ๋อโดนมาแล้วคะ่ะข้างบ้านอย่างที่มีนิทานาเขาเล่าให้ฟังว่ามีญาติโยมไปทําบุญกับหลวงปู่ เขาบอกว่าตั้งแต่ฟังเทศหลวงปู่ความโกรธหายไปหมดเลย หลวงปู่บอกอีตอนแล้วเขาเขาหนูมีแต่แค่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบแต่ว่าความโกรธนี่ยั ง, ย, งยังไม่เจอหนักหนักแต่ว่ามันจะควา ม, มชอ บ, ม, ชอบมันต้องมันต้องเจอแบบที่เราไม่เตรียมตัวจะรับมันหลวปู่ท่เนี่จชมแล้วกับตาอตอแล้วเดี๋ยวลองดูยังมีอยู่ไอชอบไม่ชอบนี่ยังยังเห็นอยต้องต้องอย่าอย่าประมาทก็แล้วกันอย่าไปคิดว่ามันตายไปหมดนะค่ะเนี่ยกําลังก็เลยสงสัยว่ามันกดด้วยสมาธิหรือเปล่าต้องหาข้อทดสอบ ท้อให้คนเขาขัดใจเราอะไรทำอย่างนี้แล้วดูที่เราจะโกรธเขาหรือเปล่าอ๋อค่ะแต่แต่ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเห็นอะไรวิบหนึ่งก็รู้สึกไม่ไม่ชอบก็มีค่ะแล้วก็มันก็สติก็ทำได้ทำใจได้รู้เลยค่ะรู้เลยค่ะไม่หนักหนาสาหัสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวใหญ่จะเป็นพวกหนูพวกแมวอยู่ต้องไปเจอช้างขึ้นมาต้องไปหาช้างแล้วค่ะหาช้างดู กนเชื่อจะสู้มันไหวหรือเล่เียวพาทวดงที่ไปอยู่ในป่าเขาไปหาหากิเลสตัวช้างชมีงตัวใหญ่ๆพอดีหนูอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเลยก็เลยแบบลองไปอยู่วัาป่าดูม้างไปวัด่าใช่วัป่าอย่างยอะคนนี้ใครไปอยู่กับซากศพไปนั่งนอนกับซากศพดูโอที่วันไหนลคะวันชา ออเจะลองไปหาช้างค่ะลองไปหาดูไปนั่งสมาธิกับซากๆากศพดูศพจริงจริงด้วยไม่ใช่ศพศพไม้ด้วยใช่ไหมจ้อศพไม้ด้วยดอกไม้กําลังบานค่ะอถ้ามีคนนึงนะปฏิบัติอยู่ที่ปลอดภัยมันไม่ค่อยมีกิเลสหนักๆเข้าไปต้องไปที่มันน่ากลัวนะมันจะมีกิเลสตัวใหญ่ๆออกมา อาถามได้ค่ะกาพรระอาาจาย์เจ้าค่ะพอดีว่าหนูที่ฝึกปฏิบัติมาแล้วพบกับปัญหาที่ถกกลอยเกิดทุกแสนสาหัสมากอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็หนูก็เหมือนจะผ่านมันไปไม่ได้เจ้าค่ะเพาะ <ทำ S 2> เราไม่ยอมเราไม่ยอมเลยเรายังอยากอยู่เจ้าค่ะต้องยอมยอมรับยอมรับความจริงเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีความ อยากจะรักความยึดถือเอ่อยึดยึดยึดตัวตัวเราของเราอย่างนี้ค่ะใช่มันไม่มีการยึดของที่ไม่มีมันก็ทุกข์กัสิเจ้าค่ะแล้วก็รู้ว่าจะให้อภัยแต่จิตบางครั้งก็ให้อภัยบางครั้งก็ไม่ให้อภัยเจ้าค่ะสติมีกำลังสู้กิเลสไม่ได้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นเจ้าค่ะให้จิตเข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานได้แล้ว สติมีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้หยุดกิเลสนด้ลูกปาชนะเช่นนั้นเจ้าค่ะอ่าต้องฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆน้ำกาดพลาจานันเจ้าค่ะเอาแล้วนะวันนี้สําหรับเวลาก็พอดีหมดพอดีคําถามก็ขอเลื่อนไปสําหรับวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาเพราะคนมากถวายของก่อนจะเสร็จก็อาจจะหมดเวลาก็ได้แต่ก็รอโอกาสหน้าก็แล้วกัน